ความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านพระพุทธภาสิตจรันเจนาธิคัดเชยยะเสยยังสดนิสมั ต, ตโนเอกจริยังดันหังนกยีรานาธิบาเลสหายตาแปลว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มันจึงไม่พึงคบใครเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนผ่านอธิบายความ บุคคลเมื่อสแสวงหาการยานมิตรต้องการการยานมิตรก็พึงคบหาสมาคมกับมิตรผู้มีคุ ณ, ณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้ดมิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มันคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวรวมเรียกว่าเอกจริยังทางนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนผ่านแปลว่าถ้าไม่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนผ่านเพราะบุคคลเมื่อคบคนผ่านย่อมเสื่อมลง เมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนผานอันบันเด็ไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นผานคุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลกระถาวถัตถุคือถ้อยคําที่ควรพูดสิกุดงคุณสิบสามวิปัสนาคุณ มากสี่ผลสี่วิชาสามอภิญญาหกเป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนผ่านพระศาสดภภ า, าตรับพระพุทธภาษีนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบสัทธิวิหาริกของพระมหาการะสมมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องสัทธิวิหาริกของพระมหาการะสมเถระเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชเครือก่อนคือสัทธิวิหาริกของพระมหาการะสมสองลูปปรนิบัติพระเถระอยู่ ณถ้ำปิดผลิใกล้เมืองราชครึ่นั่นเองในสองรูปนั้นรูปหนึ่งทํางานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระอุปชาส่วนอีกรูปหนึ่งมิได้ทำแต่แสดงให้เห็นเสมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำตัวอย่างเช่นเมื่อพิสุรูปหนึ่งจัดแจงน้ําล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้ให้พระเถระเรียบรอยแล้วตนก็รีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ําล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับ นิมนล้างหน้าเถอดังนี้เป็นต้นในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปนี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปหนึ่งผู้ชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอได้รู้พฤติการของภิกษุขอเช่นั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้างวันหนึ่งเมื่อภิกษุขอชันเพนเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุกอต้มน้ําสําหรับพระเถระอาบ แล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสําหรับอาบน้ําแล้วแกล้งเหลือน้ําไว้หน่อยหนึ่งตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่อนไออยู่ภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ําเห็นไอน้ําพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุขอต้ม้ําไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับน้ําสําหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งไว้ในซุ้มนิมนต์ส่งน้ําเถิดแล้วเข้าไปในซุ้มน้ํากับพระเถระ เมื่อพระเถระถามหาน้ำจึงเอากระบวยจ้วงลงไปในภาชนะน้ำที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำจึงโผนธนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทำได้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ำตั้งไว้บนเต่าแล้วนี้จะเสียกระผมเรียนท่านให้มาอาวก็โดยเข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถืออ่าอน้ำไปยังข่าน้ำฝ่ายภิกษุกอเห็นเช่นนั้นก็ชอบใจรีบนําน้ําอุ่นจากหลังซุ้มมาตั้งไว้ในซุ้ม ให้พระเถระอ่ะพระเถระใคร่ควรดูพฤติการของสิทธิ์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้อวาตแก่ภิกษุ ข, ขอว่าเป็นบรรทัดทิตกระทําเช่นนั้นให้สมควรอะไรที่ตนทํำก็ควรว่าทําอะไรไม่ได้ทําก็ควรว่าไม่ได้ทําอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิกษุ ข, ขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียแต่กลับด่าว่าพระมหากศรศบา่าอาศัยเรื่องเล็กน้อย คือเรื่องน้ําอ่านแล้วด่าว่าตนเธอโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบินถบายกับพระเถระส่วนพระเถระได้ไปที่แห่งหนึ่งกับภิกษุกอภิกษุขอเข้าไปสู่ตระกูลอุปถากตระกูลหนึ่งของพระเถระเมื่อโยมถามว่าพระเถระไปไหนจึงไม่มาได้บอกว่าท่านไม่สบายอยู่ที่วิหารคือที่อยู่ควรจะถวายอะไรไปจึงจะควรเล่าขอรับอุปถากถาม ภิกษุขอจึงบอกชื่ออาหารที่ตนชอบทุกอย่างเมื่ออุปถัมถวายมาแล้วก็ฉันใช้เองในระหว่างทางหาได้ถวายพระเถระไม่พระเถระได้ผ่านในละเอียดผืนหนึ่งในวันนั้นก็มอบให้แก่ภิกษุขอผู้ปฏิบัติชอบในตนในวันรุ่งขึ้นท่านไปสู่ตะกูลอุปถากพวกอุปถากถามถึงความไม่ผาสุขของท่านตามที่ภิกษุขอว่าและได้ส่งอาหารชนิดนั้นไปถวายท่านในฉันแล้วหรือบัดนี้ท่านผาสุขดีแล้วหรือ พระเถระนิ่งเสียท่านรู้ว่าภิกษุขอทําเรื่องอีกแล้วเวลาเย็นท่านจึงถามภิกษุขอว่าเมื่อวานนี้ได้ทําอะไรในตระกูลอุปถากบ้างเมื่อภิกษุขอเล่าให้ฟังท่านจึงให้อวาตว่าทําอย่างนั้นไม่สมควรบรรดชิตไม่ควรขอด้วยอาการหลอกลวงภิกษุขอโกรธท่านมากผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนหาว่าเราพูดเทศเรื่องน้ําอาบวันนี้ก็อีก เราไปได้อาหารในสกุลอุปถามของท่านมาเพียงกํำมือหนึ่งก็ตนิว่าบรรพชิตไม่ควรทําวินยัดคือการขอแล้วนํามาฉันผ้าที่ได้ก็ไม่แบ่งให้เราให้แก่พิสุขพิงรูปเดียวกรรมของพระเถระหนักนะักเราจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างตอบสิบ้านดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเขาไปบินทบาทในเมืองพระขอจึงทุกเครื่องใช้ไม้สอยสิส้นเป็นต้นว่าถ้วยชามใส่อาหารและหม้อต้มน้ําแล้วจุดไฟเผาบรรณาาลา สิ่งใดที่ไฟไม่ๆหมก็เอาพรองทุบทำลายสิ่งนั้นเสียแล้วหนีไปพระขอนั้นตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนทราบเรื่องแล้วติเตียนพระขอว่าไม่อดทนแม้แต่คำตักเตือนของอุปชายาอาจารย์เล็กๆ น, น้อยๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชเกลืไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาษษษสดาพระพระองค์ตรามถามถึงพระมหากสพว่าอยู่สบายหรือยอย่างไร ภิกษุนั้นกล่าบทูลว่าพระมหากษัตอยู่สบายดีและทูลเล่าเรื่องพี่สัิวิหาริกรูปหนึ่งของท่านกโกรธที่ท่านตักเตือนและจุดไฟเผาบรรณาลาเสียพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นแม้ในอดีตสมัยเกิดเป็นลิงก็เคยประเภิเช่นนี้แล้วเหมือนกันแม้เขากล่าวสอนด้ดีก็โกรธแล้วตรัสเล่า ว, ว่าในอดีตการนกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมาวันตะประเทศวันหนึ่งฝนตกหนะัก ลิงตัวหนึ่งสะท้านเพราะความหนาวเข้าไปใกล้รังนกขมิ้นนกเห็นลิงหนาวสันจึงตาสัยว่าศีรษะและมือเท้าของท่านก็เหมือนมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้จักทำเรือนอยู่ลิงตอบว่าเจ้าขมิ้นน้อยเอ๋ยศีรษะมือและเท้าของเราละไม้คล้ายของมนุษย์ก็จริงแต่เราไม่มีปัญญาประเสริฐอย่างมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงทำที่อยู่ไม่ได้นกขมิ้นต้องการให้ลิงทำกระถ่อมน้อยอยู่เพื่อป้องกันหนาวและร้อน จึงกล่าวด้วยความหวังดีว่าคนที่มีจิตไม่มั่นคงกลับกลอกง่ายมักประทุษร้ายมิตรเป็นคนโรนเรยอยู่เสมอย่อมไม่มีความสุขท่านจงใช้ชความพยายามอย่าคิดอยู่เพียงว่าตนไม่มีปัญญาจงพยายามทํากระท่อมสนับป้องกันหนาวและลมเถิดลิงคิดว่านกขมิ้นตัวนี้หาว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมักประทุษร้ายมิตรเราจะแสดงข้อที่เขากล่าวหานั้นให้เป็นจริง ดังนี้แล้วจึงจับรังนกขมิ้นมาขยี้เสียนกขมิ้นหนีออกทางหนึ่งไปแล้วพระศาสดานำอดินิทานมาแล้วทรงสรุปว่าลิงในการนั้นมาเป็นภิกษุพดทํทำลายบรรณาศาลานกขมิ้นมาเป็นพระมหากรศดและว่าการอยู่ผู้เดียวของกรศดดีกว่าอยู่ร่วมกับสิทธิ์อันเป็น่านดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจนว่าจรัญเจนาธิคเชยยะเป็นอาทิ มีนัยยะดังพนานามาแล้วเป็นต้น